วิธีการกทำก็ไม่ต้องไปสูงหาเอาตามแบบพพติเจ้าได้กระทำมาแล้วในวันที่เกิดการตัดจะรู้จะได้แสดงธรรมให้เราได้ฟังนี่ที่พระองค์ได้ทำอย่างไรเราก็ได้รู้ ว่าในวันนั้นท่องได้นั่งคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกมีสติอยู่ในกายออกกายเป็นที่ตั้งออกลายเป็นการกระทำให้มีสติไปนในกายอยู่เป็นประจำอาจหงัดต้องหัดแบบนี้ ไม่ใช่ประหารวิธีการขอบความคิดเอาหัวคิดหาคําตอบจากความคิดเอาการกระทําสัมผัสเข้าไปกับสติเอาการสัมผัสเข้าไปกับสติจะทําอย่างไรทจะจะี่จะลูกอยู่ในมีสติไปในกายอยู่เป็นประจอม <c oughs> ตามหลักวิชากรรมฐาน ก็ต้องเคลื่อนไหวสู้เแขนเข้ารู้สึกเกี่ยนแขนดอกรู้สึกขณะที่คู่แขนเข้ารู้สึกเกี่ยนแขนออกรู้สึกมีสติภายในการอยู่นี้มันจะได้สอนตัวเองหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแทรกขึ้นมาที่ไม่ใช่สติเราจะไล่หัดให้มีสติตัดเข้าไปแบกเข้าไป ที่ตั้งไว้ไแล้วมีสติภระในกายไม่ใช่เรื่องความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มาใช้สติเราก็จะรู้จักมาทางไหนก็จะรู้จักก็ให้กับาหากรลมฐานเหมือนกับกระโดงของ <c oughs> กลับมาฐานสอมอาทิกกลับมาลู่ได้ไม่ยากจะเป็นเรื่องใดก็ตามกลับมาลู่ที่กาได้ทั้งหมดเปลี่ยนมาเป็นตัวลู่ได้ทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาเปลี่ยนมาเป็นความลู่ไปก่อนอยนา่าเพิ่งไปหาคำตอบเอาผิดเอถูกเอาได้เอาเสียเอายากเอง่าย รู้สึกตัวที่จะเกิเดการ ม, มาถอนขอึ้นวมาที่งจะเกิดการกระทําเมื่อมีการกระทําเกิดขึ้นก็มีผลของการการะทําจะารูาร้ดอกไปอย่นไม่เป็นความรู้จึกตัวทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั่นเวลารู้สึกตัวที่กาย ก็ก็เห็นหลายอย่างทั้งใจด้วยทั้งความคิดทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยวก็กลับมาซะมารู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนมือเข้าเหยียดมือออกนี่คือวิธีหัดเอามาเป็นความรู้ทุกหมดหับจากนี้วิธีหัดน ถ้ามีความรู้สึกตัวมากๆากอะไรก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้ทั้งหมดรู้สึกตัวทั้งหมดก็ความสุขก็จะจบอยู่ที่ความรู้ความทุกข์ก็จะจบอยู่ที่ความรู้ความโกรธความโลภความหลงก็จะจบอยู่ที่ความรู้ที่เหลือตัหาก็จะเกิดจบอยู่ได้ กิเลสตระหนักที่เกิดขึ้นการปวงกันเต่นก็จะจบอยู่ที่ความรู้สึกตัวหลงตัวเหมือนศูนย์ความรู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่ให้ค่ากับบัลลาอยู่แล้วไม่ให้คาไม่ให้ที่อยู่กับใครอะไรอยู่แล้วไม่ต้อนรับกับบันลาอยู่แล้วคือความรู้สึกตัวก็ไม่ให้ค่าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีที่อาศัยก็เรียกว่าไม่ให้ค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้อนรับแสดงว่าสติเป็นอย่างนั้นคุณค่าของสติเป็นอย่างนั้ น, นสุขไม่ไปค่าทุกข์ไม่ไปค่าก็ชินพบุบชินชาติของความสุขความทุกข์ ความโกรธความโลภความหลงเกิดข <uar> ึ้นรูปฉกตัวก็สิ้นพบสิ้นชาติความโกรธความโลภของหลงนายจิเลตตันหาเกิดขึ้นก็รูปฉกตัวก็สิ้นภพสิ้นชาติความปงแต่งจิเลตตันหาได้มีแต่สติเข้าไปรูปแต่มีสติเข้าไปรูปว่งมากจนมี เกิดเป็นศึกษาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเพราะสติก็ลับความชั่วสติก็ทําความดีสติก็ทาําให้จิตบริสุทธิ์อยู่แล้วอะไรก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้รับความชั่วอะไรเปลี่ยนมาเป็นความรู้ก็คือทําความดีอะไรก็เปลี่ยนมาเป็นควา ม, าวามวรูมคม้คือจิตก็บริสุทธิ์ไม่เปเื้อนกับสุขกับทุกข์จะแบบไหน ของเท็จของจริงมันเป็นอย่างนี้ความหลงมาจริงขนาดไหนกับความรู้สึกตัวความโกรธมันจริงขนาดไหนกับความรู้สักตัวนะความเพียรความทุกข์มันจริงขนาดไหนกับความรู้จึกตัวมันทําไปจะไม่ไม่จบเหมือนตาช่างได้ตาช่างเดินเหยียบหนักขนายเวลาออกก็มาเป็นศูนย์ กลับมาเป็นศูนย์ที่จะถูกต้องต้าตราช่างไม่เป็นศูนย์ค้างอยู่ที่เลขอื่นก็ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมได้เพี้ยนไปหมดเล ย, ท, เกกเยลทุกเป็นทุ ก, ก็เพี้ยนไปแล้วทุกเป็นทุก็เพี้ยนไปแล้วพบชาติจากความสุข ก, ก็มีมากมายพบชาติจากความทุกข์ก็มีมากมายพบชาติจากความโกรธความโลภความหลงก็มีมากมายพบชาติเกิดจากกิเลสตัณหาก็มีมากมาย มันไม่ได้ตามันไม่ได้กำไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งที่ศูนย์จึงเวียนว่าใจเกิดเป็นพบเป็นชาติอย่างเก่ามีแล้วอีกหลงก็หลงอยู่ล้อมไปทุกข์ก็ทุกข์อยู่ล้อมไปสุข ก, ก็ทุกข์อยู่ล้อมไปกวดโลภหลงก็เกิดเรื่อยไปยิ่งมากขึ้นเราจึงมีสติเนี่ยเหมือนกันคุมกําเนิดของพบของชาติ มันมันมันของที่มากทำหมน้อยของยากทำไมง่ายขึ้นมาย่าเนเจริญจิตนี้จะเอาอะไรมาอ้างไม่ได้ถ้ามีติตจะไปอ้างว่าแล้วมีกิเลสมา ก, ม, า ม, ากมีปัญหามากมีปัญหามากไม่ต้องอ้างนั่นหละดีจะได้เห็นอยู่เดยเฉพนนาะนาะ เหมือนนักกีฬาอะไรที่มาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอยู่ด้วยเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยแสดงถึงความเป็นนักกีฬาอยู่เรื่อยก็ชำแนงในในด้านนั่นบางคนชำแนงในในด้านต่างๆแในสนามกีฬาให้ประจําที่ในด้านนั่นขึ้นมาสติมันรอบด้านนะเป็นนักกีฬาก็ว่าได้เป็นนักลบก็ว่าได้ ใจเภูมิที่อยู่ของนักรบคนวาตอะผมรู้จักตัวหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปหาที่ใดอยู่ที่เรานี่แล้วเป็นสมบัติของกาย จ, จริงๆสติสติเป็นสมบัติของจิตใจจริงๆเราดีเราใช้กายใช้ใจกันแบบไหน ใช่ตติตาปะปนไปกันทั้งหมดคุ้มร้อยคุ้มดีปูปูปแบบแบบสุกสุกทุกทุกก็เลยใช่ไม่ได้เลยกายของเราใจก็เลยแช่ไม่ได้เลยมันไปทางอื่นเราใช่ทางอื่นไม่ค่อยมีสติผู้ที่มันเปื้อนเพื่อนมากเวลามาชำระล้างก็จะต้อง เขยันสักหน่อยขยันอย่างไรเขยันแบบความเปิดเพื่อนของกายของใจไม่ใช่ขยันเหงื่อไหลขย้อยจะไม่เราได้เกิดความเขยียนนั่นหลงก็ขยันลู้ซะเหมืนทุกข์ก็ขยันลู้ซะมันเกิดจิเลตั้นหาก็ขยันลู้ซะแต่เมื่เราไม่เขยียนมีความเขยียนมีความภาคเพียร มีฉันทะมีเวละมีจิตตะวิมังสามีปัญญาบาะเรื่องนั่นๆเหมือนกับไวตรงไม่เมื่ไมันหล่นลงมาเส้นลานวัดขวดซะแล้วก็ทำให้เราขยันมีงานขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันยากได้กวดไปไม่ออกมันก็ถือว่าเป็นความชอบ เราใช้มันเกิดขึ้นมาถ้าเราขยันมีมากมายความจนถ้าเราขยันก็มีความทุกจนถ้าเราขยันความจนถ้าเรามังมีได้ขยันที่การที่จะดีไม่ต้องเสี่ยงเมื่อกระย่างอื่นไม่แต่ได้ไม่ไม่เสียเลยตึกสตินี้เพราะอกขอใจมาก ถูกต้องตลอดเวลาถ้ามีสติมา้ลยเป็นถูกเป็นดีท้งนั้นมาผิดเป็นถูกต้องนั้นจึงพอตัวมากที่สุดเวลาเราปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ยิ่งใหญ่มีอำนาจมีสิทธิด้วยเปอร์เซนมีสติเป็นในการมีสติอะไรที่เกิดขึ้นมามีสติเข้าไปใช้ได้ทุกประเภททุทก สิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมต่อกาปรปฏิบัติธรรมทำคือปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติธรรมทำไม่ไหนคือปฏิบัติอย่างนี้ให้กายจะทําให้ใจเป็นธรรมขึ้นมาตร ง, ง, ง, งต้งต้นที่กาที่ใจนี้ไม่ตั้งไม่ใช้ตั้งต้นที่อื่นเขียนรัฐธรรมนูญเขียนกฎหมายประกาศขึ้นมา ก็เป็นเกิดขึ้นหรือยากก็ไม่ตั้งต้นที่กายที่ใจของคนถ้ามามีสติตั้งบทิศกาที่ใจก็เกิดความเป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความสุกไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมที่สุดสัมผัส ด, ดูไม่ต้องถามใคร เป็นการสองผัดเอากายไปต่อออกกับสติเอาใจไปต่ออกับสติเวลาใดมันคิดขึ้นมาให้รู้จักตัวกับความคิดที่ไม่ตั้งใจให้รู้จักตัวจะอย่าไปห้ามความคิดไม่อยากคิดมันก็คิดอย่าไปทาตรวนั้นอย่าไปรูปคำแบบนั้นวิธีปฏิบัติไม่ใช่รูปคำแบบนั้น เวลามันคิดขึ้นมากระลุกกระลั่วตัวจเคลื่อนไหวนีิงจกรรมฐานมีช่วยได้เยอะกายก็มีจริงเคลื่อนไหยก็เคลื่อนหวจริจริงๆเพียงพอแรงพลังงานสร้างกวามรู้จักตัวนี้เพียงพอกับวิชากรรมฐานอาจจะดีกว่ากรรมฐานแบบอื่นด้วยช้าไปเช่นอนาปะบพะมีสติ ในลมหายใจอาจจะโบกกว่าการเทล่นไหวอาจจะลู่ทะยาอาจจะคล้อยตามไปก็ได้ความอันดุลมหายใจนี่อาจะหล่ำก็ไปในความสงกอาจะหล่ำหล่ำก็ไปอะไรต่างๆได้ง่างหล่ำก็หล่ำไปยาวยาวชุกก็ชุกยาวยาวทุกก็ทุกยาวยาวสัมผัสดูแล้วมันต่างกันจริงๆนะ ขอยึดหลักสัมปชยญญะบอบพานี่มาสอนคนมันสากลนที่จุดแล้วก็คบปงจร ด, ด้วยั้งเวททั้ ง, งอาอนาปะปะภะท่างกิดตะบอบพะความคิดของกิดก็คือการเคลื่อนไหวถ้ามีแต่ลหมหายใจอาจจะไม่เพียงพอต้องสัมปชัญญะบอบพะเคลื่อนไหวลงมาเวมันเพียงพอ จึงแม้จะเป็นอย่างไรก็มีพลังตรงนี้ทันทีเหมือนกันหมดเจบ็บแค้ไหนป่วยก็เหมือนกันหมดวังแก่คนเท่าก็เหมือนกันหมดพลังแห่งกวามรู้สึกตัวเป็นปกายเลก็เด็กนิ้วก็ได้อะไรก็ได้เมื่อมาชำนาญเราก็ค่อยจับละเอียดเข้าไปอาจจะดูลมหายใจสะดวกขึ้นกว่าการเคลื่อนไหวก็ได้ ถ้าฝึกใหม่ไปอาศัยลมหายใจที่เกิดเคลื่อนไหวไม่ออกแรงก็ก็จะอยู่แบบนั้นหลงยาวๆโกรธยาวๆทุกข์ยาวๆไปลากไปดังนี้ก็สงบจนความคิดนี่ถือว่ามันยากไม่ใช่เลยบางทีก็ ค, ความมุ่งถือว่ามันยากไม่ใช่เลยนั่นแหละทำไมาเราเคยสน มันง่วงก็ยิ่งขยันรู้เหมืนคิดหลงไปทั้งเดืนก็ยิ่งขยันรู้จะได้ขยันฉันทะวิญญาณติกิตตังปะคะนาติวายามาติได้มีความภาคเพียรแบบหนึ่งพอใจมีสติมีความเพียรตอนนั่นหลงมากก็จะมีความเพียรมาก เฉพาะหน้าโตหน้าโตตาเราจะปล่อยทิ้งมาได้เมื่อมีความถูกมันมีอยู่จะบรรับความผิดได้ยังไงต่อไปมันก็เป็นไปเอง่ะต้งหัดต้นสอนต้นดยก่อนต่อไปทำจะรักษาเราไปเลยเพราะมันทำเป็นแล้ว แต่ทำแบบไหนก็ได้ถ้ามันสะดวกเกิดควุมสะดวกแล้ว้างคนหัดขับรถจักรยานไปไหนก็เอาลุงลูกคุกขานมาถ้าหัดเป็นแล้วมันเป็นแล้วมัก็ไปของมันเองมีสติปนันกาไม่ใช่รถจักรยานมันอยู่กับตัวเรายิ่ง ยิ่งชัดเกณฑ์แม่นยำกว่าอย่างอื่นน่าจะไม่พลาดจริงๆเวลาปฏิบัติธรรมเป็นฉบับของกาจริงๆความรู้สึกระลึกได้เนี่ยเป็นฉบับของกิตใจจริงๆความรู้สึกรลึกได้เมืันก็จะยอดใหม่จริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยจะยอดจากความหลง เป็นความรลภย่อจากควาโกรธมาเป็นความโลภหรือยก่ยอจากความทุกมาเป็นความโลภจักตัวมันยอดใหม่มันใหม่มันเป็นพรหมจารไม่เปิดเื่อนนะยิ่งโลภตลอดเลยก็ยิ่งบริสุทธิ์มาเท่านั้นบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจประกอบประกอบขึ้นมาไม่ใช่แล้วใช่ปีไม่ใช่เป็นหมัน ไม่เฉียงด้วยนั้นทำนาทำไรอาศัยสิ่งวัตถุภายนอกแต่กรรมาฐานไม่เฉียงอะไรเลยทันทีปัจจจตังทันทีพลกเหมือนขึ้นก็ลู่ทันือยกเหมือนขึ้นก็ลู่ทันทีอนทนทลองมือลงก็ลู่จันทีเพื่อมลงก็ลูจทันทีอะไรที่มาตัดตัวนี้ไม่มีเลย เมื่อหลงก็เป็นความรู้กันแล้วเมื่อสุขก็เป็นความรู้กแล้วจึงไม่เสี่ยงเป็นสมบัติจริงๆเป็นความชอบจริงๆป็นความอยู่โดยชอบจริงๆแล้วจะอยู่ที่รุ่มที่ดนที่ป่าที่เมืองวัตถุว่าอยู่โดยชอบเพราะรู้สักตัวเนี่ยอย่างว่ารถเมย์อยู่ที่ทำงาน มันอยู่กับเราแล้วเมื่ออยู่ใดยชอบแค่นี้จะเป็นอย่างไรหนึ่งวันเจ็ดวันจะเป็นอย่างไรเอากรรมมาถามที่สูดเอาอย่าคำตอบจากอื่นว่าได้อะไรไมาได้ไรลู่อะไรไม่ลู่อะไรไม่ใช่พูดอย่างนั้นจะได้ก็ผิดก็ผิดจะถูกก็ถูกก็อยู่ที่การกระทาของเราตอบตัวเอง เมื่อพวกเราอยู่โดยชอบเหมือนพระเจ้าว่าโลกจะไม่บ้างจากพระอรหันต์จเกมีพิกเวพิกุสมมาวิหารเลยุงอสุนโยโลโกอรหันติเหตสักภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบแล้วใช่โลกจะไม่บ้างจากพระอร ห, ร ห, อออออรหันต์คืออยู่แบบนี้อยู่แบบนี้จริงๆกรรมฐานมาใช้อยู่ที่ อาจารย์ดีๆที่เป็นเทศดีๆให้เราพกอพิงไม่ใช่เลยความดีเป็นของท่านความดีอยู่ที่เรามีไหมมันเรื่องของเราต่งนางหากแม่พระเจ้าก็ยังสอนคนอื่นไม่ได้บางโอกาสบางคนสอนน่ า, าเะพาะบุคคลที่สอนได้ นกขอตัวแล้วเรื่องของฝึกกรรมฐานไม่ต้องต่อรองอะไรขอให้ที่นี่เป็นสนามฝึกก็ได้ขอได้รับความสะดวกในการนี่โดยตรงอย่างอื่นไม่มีที่นี่จำบับกรรมฐานเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่มีราบสักราระเียงเสิญเยินยอะไร จึงเพ ing, ื่อการนี years, ่โดยตรงอย่าปัญหาอย่างอื่นถ้ามาที่นี่ต้องเมื่อนั่งผู้เฉินเข้าเหยี่อฉันออกมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำอันนี้มีโอกาสลอยไปส่วนผู้เฉันเข้ารู้สึกเหยี่อฉันออกรู้สึกงานที่ของเราที่นี่คือทำอย่างนี้ให้โอกาสกันและกัน อย่าไปกังวลเรื่องใดที่นี้ก็เป็นสถาบันด้วยทาใหยเราเป็นสถาบันรวมหลงทำไมเกิดความรู้เป็นสถาบันความรู้จึกตัวนี่ไม่เปลี่ยนไปนอื่นเลยรวมโกรธทำไมเป็นสถตวความรู้เป็นสถาบันปฏิบัติเป็นสถาบัน คำพายเราเป็นสถาปันชีวิตเป็นสถาบันให้มันจบสะให้ความงง ม, มันจบสิว่าให้ความโกลวความโลภความทุกข์มันจบสิถ้าเป็นสถาบันก็จบที่นี่จบที่อาการที่เกิดกับกายกับใจเอามาประจุเป็นทุกข์ที่เราใช่กา่าวใช้ใจทำอย่างไรมีความจุกความทุกข์เพ ก, กายเพราะใจ เอาคิดไปห้อยแสนไปกับกวามฉุกเฉิทุกเรื่องกายทั้งใจแล้วก็ข้อหน้ามเหลวไหนที่ว่าเป็นสุขอยู่ที่ไหนไหนที่ว่าเป็นทุกอยู่ที่ไหนมันเป็นสมมุติบัญญตัติเป็นวัตถุอาการเป็นอุิฐานเกิดขึ้นตามบัญญัติของแต่ละชีวิต ไม่ใช่เป็นปรมาัจารยเกหลงเป็นสมมุติความไม่หลงคือรู้จักตัวเป็นปรมาัจามันต่างกันไปนแบบนี้นี่ว่าจบศึกษาเรื่องกายอันกวงสองจาวาหนาคืบไม่ข่วมรู่อะไรได้มีธาตุรู้วิญญาณธาตุรู้นี่ว่าที่เกิดแห่งมรรคแห่งผล ที่ที่นี่มีมีรูปมีนามมีกายมีใจมีการกระทำมันหลงอยู่ที่นี่มันไม่หลงก็อยู่ที่นี่มันสุขก็อยู่ที่นี่มันไม่สุขก็อยู่ที่นี่มันทุกข์ก็อยู่ที่นี่มันไม wow <krit> ่ทุกข์ก็อยู่ที่นี่มันปรุงมันแต่งก็อยู่ที่นี่จุดปรุงแต่งก็หยุดที่นี่ปัญญาก็อยู่ที่นี่ปัญหาก็อยู่ที่นี่ความหลงรู้ในกองสังขารคือกายสังขารจิตสังขารนี่ย เป็นปัญญาลูกหมดความหลงก่อนเก่าความโกรธก่อนเก่าความทุกข์ก่อนเก่าความโลภก่อนเก่ากิเลสตัณหาก็อย่างเก่าถ้ามีความูลจุกไหล่ขึ้นเขียบลงเลยมันจะเป็นงไงเช็ดจริงขนาดไหนให้ตั้งหลักให้มีความรู้นในกายให้มากๆ ก, ก, ก่อนเหมือนมีความรู้มากๆเหมือน แสงสว่างมากๆก็กําจัดความมืดได้มากหน้าที่เราคือพยายามมีความเพียรคือหยันรู้ภาวนาคือหยันรู้ขาหยันรู้ไม่ใช่ภาวนาคือนั่งบริกรรมเพึมบำเพิ่มบาไม่มีประโยชน์ภาวนาคือขอยันรู้ หาเฉยเข้ารู้สึกเคลื่อนไหวมือรู้สึกพิบตารู้สึกจับเป็นจังหวะจังหวะจับเป็นขั้นตอนจะปนเปนกันแต่จะไม่ชำนานง่ายที่จะรู้ฝึกไาไหมอาจจะง่ายที่จะหลงไม่เป็นไรใครก็หลง ความหลงนั่นแหละทาให้เราม่ความขยันได้เกิดความรู้ขึ้นมาหลงหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างถ้าใครไม่มีอะไรเลยก็จืดนะเช่นคนติดสมาธิติด่วนสงบก็จืดไปเลยเวลาออกจากความสงบก็เหมือนเดิมเหมือนจิละทับยานะให้มันคิดลงไปอย่าไปห้ามคิดสติเป็นการโฟกคิด ให้ความเป็นความรู้ึ้นมาแล้วไปห้ามความคิดแต่ห้ามความคิดไม่อยากคิดมันก็คิดหยุดไม่เป็นไม่ต้องประโยชน์มันกลับมาหาความรู้สักตัวแล้วมันสุขมีก็หัวโลภความสุขรู้สักตัวแต่วันทุกข์มีก็หัวโลภความทุกข์รู้สักตัวให้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้ได้ i, เปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้ i, เปลี่ยนโกรธเป็นรู้ หลงหนึ่งข้างลู่หนึ่งข้างหลงลอยข้างลูง่ลอยข้างหลงผ่านข้างลู 1, ่ผ่านข้างหลงเท่าไหรลู่เท่านั้นลู่เท่าลู่ทันลู่ตามหมดวิธีกรรมฐานวิธีฝึกกรรมฐานให้มันจำนี้จำนานต่อไปมันจะเป็นไปเองทําให้เหมือนเติรนไม่ต้องยกมือก็ได้ถ้าเหมือนเกิรนแล้วมันใช่ตัวแล้ว มี่ต่ใช่แต่เพื่อเอไปยิ่งใช้ยิ่งมากโดยก็ลู้ไปเลยความลู้เป็นเจ้าของกายเสร็จแล้วความลู้เป็นเจ้าของจิตใจเสร็จแล้วเมื่อความลู้เป็นเจ้าของกายก็เป็นธรรมเกิดพื้นที่กายเสร็แล้วความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของจิตใจก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นที่ใจแล้วแตนี้อะไรเป็นเจ้าของกายอะไรเป็นเจ้าของจิตใจ เขาเหิวไปไหนนั่งอยู่นี่เขาเหิวไปไหนคิดคิดไปถึงอะไรเคยคิดเรื่องใดเคยก็มีความโกรธก็ไปหาความโกรธเคยมีความทุกข์ก็ไปหาความทุกข์คนมีความลับก็วิ่งไปหาความลั บ, ค ว, ลบความเจียชางควพยาบาทมีได้นั่นแหลาจะจะเห็นเราจะจะฉายดู่พระยาบอดคิศนมามตตาผมง่วงนอน อุทจักกูจัพุ่งซ้อนไม่เป็นชิ้นเป็นส่วนอุทจกักกูกูจะคิดมันไก่เขียไก่เขียไม่เป็นตัวเป็นตนแหลกไปเลยลังเลสงสัยหาคําตอบจากความคิดนั่นเรื่องฉิงขวงกันอย่าไปหาคําตอบจากนั้นกลับมหากรรมฐานนี่ ลูกสักตัวนี่เคลื่อนไหวอยู่นี่เอาตามพระพุทธเจ้านั่นเลยพระองค์อาจจะคิดมากกว่าเรานะถึงจะเป็นเชผ้าชายก็อยู่แบบสุกุลมาลาชาดแบบคิดถึงพิมพาเมียรักก็มีคิดถึงลาหุนมันเกิดได้เจ็ดวันเท่านั้นเองคนมีลูกก็คิดถึงลูกได้คนมีเมียก็คิดถึงเมีย หรือมีขนมจำนวนมากไป ม, มีบุหรี่เจียวปนเลยดีชีสปู๊ดเราจะคิดถึงประชาฉันรมดูกับพ้นโพงมันจะต่างกันอ่ะคิดถึงด้วยเหตุด้วยผลถ้าเอาความคิดท้งเหตุทางผลนั้ไม่มีโอกาสรู้ธรรมไม่เอาเหตุผลมาต่อรองอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีไม่ใช่เอาแบบนั้น เอัการกระทำนี่สัมผัสเข้าไปรู้ึจตัวเข้าไปก่อนเหมืเคลื่อนไหวทางกายก็ที่ตั้งแล้วเคลื่อนไหวทางใจกลับมาที่นี่กลับมาตั้งไว้ที่นี่กลับมาตั้งไว้ที่นี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมที่กลับมากลับมากลับมาอย่าไปอย่าไปอย่าไปกลับมาหาที่ตั้งจำไว้ชำนี้จานาน ถ้าไม่กลับมันไม่ชำนาญคารนานไปทางไปอพอฝึกกรรมฐานกันหลไหลไม่ว่าใครแล้วว่าเราเองหลที่สุดเลยจนควรคุ้งไปเลยมันไหลหนึ่งวันก็ไม่รู้อะไรสองวันไม่รู้อะไรมัวแต่ไหลยอยู่ เจ็ดวันเกาไม่รู้อะไรแต่เย็นยแต่หลวงพ่อเทียนว่าหนึ่งวันแลเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วไม่รู้อะไเลยจนตกใจไงนึกว่าถึงเป็นหมาเป็นกำอะไรเปแนเนรน้อยว่าถามอายอ้ายจะลูบลูบ ร, ร, รูน้ำามอโอ้ยอายก็รูบแล้ววะ รูปก็เป็นอย่างนี้นะ้ําก็เป็นอย่างนี้เน้นน้อยส่นเอาละเน้นเอาละอ่าจะทําเองอ่าจะทําเองเอาล่ะคอบใ จ, จ, ออ จ, จออขอบใจคอยเห็นนะสามวันสีวันทนอนหูจักรูปนามมาสั้นยิ่งตกใจกจหยือแม้หมวยแต่คุ้นไปทุนลอยไปตะกี้ตะกืเลยเือะแยะเลย ตัมารู้จักตัวมาเดินเอา้าเราไม่ได้มาชิดหนาฝึกกรรมฐานเดินไหรูุ้กจากตัวเดินไหรูุ้กจากตัวโอ้เราเดินให้รู้จากตัวนี่โอ้ลูกจากตัวนี่ลูกอยู่นี่ไมาใช่ไหมใช่ไหมนั่งยองลุกจากตัวนี่เออนี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองลุกจากรูปน้ำทันทีมัวแต่คุ้นไปหาคำตอบความผิดตัวเองก็ฝึกกรรมฐานหมายหลายแบบเอาผิดเ้วถูกเอาโชคไม่ชอบ บางทียกมือช่างจะมาไปมันก็ไม่เอามันหลักทางนี้มันสบายมันนิ่งมันสบายเอยกมือไปกับกลับมานี่ลมันรู้สึกตัวมีผู้เท่าผู้หนึ่งเอื่อมาควบไปนั่งตายอยู่นั่นแหละพอนั่งในนิ่งจะได้ไรมันตายแล้วน่ะลอเคลื่อนไหวมือเนี่ยสมองยกมือยังว่าเหรอยังโกดผู้เท่าอยู่เขาบอกเรามันดีแล้วเนี่ย เป็นหมอนะเป็นศิยศาสตร์นะรักษาคนป่วยหายนะเมื่อ <c oughs> ย่างโชดบ้าบ้าหอบฟงังเป็นบ้านะจ๊ะบ้าลูกบ้าเหตุบ้าผลกว่าจะมาด้ว ก, กตัวไหก็ผ่านแบกม า, ายิ่งดีมะเน ย, ยิ่งดีใหญ่มีปัญหามากมีปัญญามากด้วยนะ ทุกข์มากกาคนตั้งหลายแไม่มีปัญญาด้วยโกลกมทุกข์เอาละ่ะหยุดทีเรื่องของโกลสุกโกลทุกข์เกิดกับกายจิตยุดกันทีทละเมว่าวังจบจิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรผมพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรที่เกิดกับกายกับใจไม่เป็นอะไรกับอะไรอันที่เกิดกับกายกับใจจบลงเค่นี้แล้วพูดก็จบเลยแล้ะ กับพร้อมกัน